ถ้าความจริงวิปสัสนาญาณของที่เรมีแค่3าามชั้นแต่พระอรหันาจารย์มัแยกเป็น16ชั้นหรือว่าวิปสัสนาญาณ16บหกถ้าเป็นตึกตกก็ตึตกติชั้นนั่นแหละเพราะนั้นเองฐานเราอยากจะได้ตด้กี่ชั้นก็สร้างฐานลึกเท่านั้นสร้างฐานลึกเท่านั้นทีนี้วิธีสร้างฐานทำยไงฐานของตัวรู้คือรูปกนรม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 ไม่มีเพราะมันไม่มีอะไรเพราะไมมีนามแต่มันมีรูปแต่เราก็เป็นรูปอย่างมันเหมือนกันแต่ว่าทำไมเรารู้เย็ยนร้อนอ่อนแสงตึงตึงเพราะอะไรเพราะเรามีอะไรเรามีนามนะนามนี่นเรียกว่าความรู้สึกมีความรู้สึกเบื้องต้นที่สุดเรียกว่าเวทนาทีนี้ไอตัวเวทนาตัวนี้สมมุติว่าเวทนามันจัดจัดเวทนามมงแรงแรงเราทนไม่ได้เราเปลี่ยนไปอะไรบอกให้เราเปลี่ยน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 ไปทางมือพระเขคิดไปทางพระองค์น so ี ani, come, court, ้ก็เกี้ยวหูวันนี้ทำไมพรพุทธเจ้าเทศเพร้อเลยกินนะท่านเข้าใจตั้งแต่ฟังมาไม่เหมือนวันนี้เลยก็เลยวันต่อมาเข้าไปลาพุทธเจ้าว่าข้าพระองค์อยู่กับหมูกับคณะนรู้สึกว่ามันผู้ครีดหมู่คณะทําใจไม่ก็ได้อินทรียยังอ่อนอยู่ข้าพระพุทธเจ้าขอไปบำเพ็ญอยู่ในป่าสักระยะหนึ่งจนกว่าจะเข้าใจพุทธเจ้าก็อนุญาตก็แบกปวดแบกบาดเข้าป่า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 แต่ถ้าหากตางออกไปทีนี้ไม่ใช่เนี่ยคำสอนของท่านเสร็จแล้วเรายังไม่ได้พิสูจน์ความรู้สึกตัวมรรดบพุทุกได้อย่างไรเพียงแต่จาแล้วไปสอนความรู้สึกตัวดีอย่างนั้นน่าโยามพอรู้ความรู้สึกตัวดีอย่างนี้โยมล้วก็สอนไปสอนไปแต่ว่าในกิเลสในตัวเองนี่เต็มตัวเต็มหัวเลยไม่รู้ตัวนะนึกว่าจำได้แล้วก็ไปทรมาได้แล้ว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 ว่าเป็นอย่างนี้ก็ทำมาโอ้มันเป็นอย่างนี้นะเห็นไหมดังนั้นเองพอหลังจากฟังของพ่อมาแนี้แล้วก็เลยละมัธยวังตั้งใจปฏิบัติดังนั้นความรู้สึกตัวที่เป็นนามวกมาประเด็นเดิมนะความรู้สึกตัวที่เป็นนามเมื่อเบื้องต้นที่เป็นรู้สึกที่เป็นเวทนานั้นไม่ใช่สติแต่เวทนาเป็นที่ตั้งของสติ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 เรารู้ว่ามันปวดขานี่มันเป็นนามสัญชติยานรู้ว่าประกอบฉันปวดถ้ารู้ว่าชันปวดขาแล้วก็เปลี่ยนไปนี่เป็นความรู้สัญชัติยานแต่เมื่อไหร่ว่ารู้ว่ารูปมันปวดขาเอรูปมันปวดไม่มีขามันมีแต่รูปตัวมันร้อนมันมีแต่ตัวมันมีแต่รูปมันไม่ไม่ใช่ตัวเราให้รู้อย่างนี้อ๋อเมื่อรูปมันไม่สบายต้รักษามันอ่ะเพราะรูปไม่ใช่ของเรา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 ให้จำได้ว่าให้รู้สึกตัวอย่างเดียวว่าจะพลิกจะเปลี่ยนจะเคลื่อนจะไหวจะไปจะมาให้รู้สึกจะหายใจให้รู้สึกแล้วก็หลวงพอ่อเทียนไม่เคยปฏิเสธเรื่องหายใจนะแต่ท่านไม่เน้นเท่านั้นเองบังสายบอกว่าหลพอเทียนไม่สอนเรื่องหายใจ ม, มันไม่ถูกเหมือนนะอา้าวหายใจก็รู้ท่นบอกอ่พาพับตาอ้าปากหายใจเลี้ยวสายไหลหัวกลมเงยหยิบหยับจับโชติให้รู้